เศร้ามีสาเหตุทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่ทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยมีสาเหตุคือสมุทัยเป็นสําคัญนี่เลยนั่นแหละเป็นใสาเหตุที่เกิดความทุกข์นี่เราก็ทราบกันอยู่แล้วทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจเรื่องของทุกข์ทำไมจึงดูทุกข์ไม่เห็นทุกข์ทุกทางใจมันเกิดมาจากไหนเฉพาะอย่างยิ่งทุกทางใจมีสาเหตุมาร่างกายสะดวกสบายดีอยู่แต่ว่าจิตใจวุ่นวายสายแสบมีความทุกข์ความลาบากเหมือนกับไฟ เข า, าก็จะเรื่งงนงละเพราะคือมันก่อใสเขาก็เป็นตัวทุกข์ขึ้นแล้วเราจะอะไรดับไปไพิจารณาค้นดูให้ดีสิสอนอย่างชัดเจนพระพุทเจ้าสอนผมค้นในวันนั้เอเองก็ดูเยื่อนนก็ดู ม, ามา้าหมากให้หัวใจตับความผูดใจปลอดใจใหญ่ไปน้อยอาหารมาอาหารเก่านี่คือธาตุธาตาสีห า, า, าทาแยกเป็นอุภาพไปฟัะพิจารณาสิ นี่ไงหนังบางๆตอนนั้นหอพุ้มหอยรอบตัวนกระจักษะเรียนโตมีหนังหุ่มอยู่เป็ที่สุดรอบแล้วก็บางๆเท่าไหลานี้ก็ไม่ได้ไอ้จริงหลอกตาโลกนอกจากนั้นก็ไปเต็นไปด้วยบุพเ โ, โลหิตน้ำเนอาน้ำหนองนี่เป็นความจริงพิจารณาที่ยังไม่ให้มันถึงความจริงประจักษ์ในใจทำไมมันจะถอนม่ได้อุปทานเรื่องความรักกายก็เพราะความเห็นสำคัญว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นของสวยของของนามนั่นเอง เรพิจารณาเราให้ถึงความจริงของมันแล้วหาความงามก็ให้ปรากฏหาความเพี่ยงแค่ท้าวานก็ไปรากฏหาเป็นตนเป็นตัวที่ไหนก็เมื่ปรากฏแย่ไปแย่ไปก็เป็นท่าสี่ดินหน้าลงไปหมดเนี่ยเรามาหาตืเงาที่ไหนตื่นท่าสี่ดินหน้าลงไปปัญญาอย่างลงไปที่กงานกันชัดเจนสิสติบังคับลงไปแต่ว่ า, า, วากายจะเห็นชัดเจนนแล้วกายกายในกายนอก การนอกดูห้งก็ได้ดูภายในกมันเหมือนกันนี่แหละกายในกายกายในกายส่วนใดตัวหนึ่งของอวัยวะทั้งหมดเ น, นื้อทนานาเวทนานอกนี่สาหรับการปฏิบัติเราจะถือเอาทิ่เขาเกิดความทุกข์ความลำบากร้องไห้เสียใจอะไรเหล่านี้มาเป็นคติสอนใจเราก็ได้แต่มันเผลอเผลอมันนอกกายเวทนา น, นอกภรธาในาสําหรับการปฏิบัติในความรู้สึกของผมนี่ มันมั่นใจเอาตรงเวทนานอกแล้วต่ทุกเวทนาทางกายเวทนานในได้แตทุกเวทนาทางจักระทางใจแต่เมื่อเมืมว่ว่าทุกว่าทุกว่าเฉยๆมันมีอยู่ที่กายกับใจเท่านั้นพิจารณานี้สิจมันคิดมันตงุงเรื่องละอะร่อยปีนการเวทนาปิดถ้ำเอาจะเพิ่มเรื่องร่างกายนี้มันก็เข้าไปถึงการหมดนั่นแหละ เพราะมันเกี่ยวยงกันนี่นะมาใจาพิจารณานี่แล้วจริงๆพิจารณานั่นเป็นพิจารานั่นเหมือนทุกสมุทัยรุนนั้นเนี่ยเกี่ยวยงกันพอกํกาหนดเรื่องของสมุทัยเท่านั้นแ่<ล>ะเมื่อทุกเกิดขึ้นมันก็รู้แล้วว่าทุกเกิดขึ้นนี่ตั้งต้นนล้วเนี่ยเป็นเครื่องสรุปตจเแล้วเนี่ยมันทุกนี่มันเกิดขึ้นเพร<ละ>าะเหตุใดน่นแล้วก็ค้นหาต้เหตุของทุกมันจะพ้นจากสมุทัยได้อย่างนี้การค้นหานั้นไม่เรียกว่ามากจะเรียกว่าอะไนั่นมันเกี่ยวเรื่องกันนี่นะ สติเรื่ปัญญามันเรียกว่ามากจะเรียกว่าเมพิจารณารูปเท่าตามความจริงของมันแล้วทุกดับไปเป็นลำลำดับนั่นก็เรียกว่านิโรธฮะเกี่ยวโยมเป็นอย่างนั้นเองสติประฐานสีครับอาญาสติพิจารณาอย่างไหนั่นก็เหมือนกันแต่พิจารณากายเป็นอารมณ์จับจุดใดจุดหนึ่งไปกําหนดทัศตั้งสติตรงนั้น มีแต่ความรู้กับอริวาส่วน น, น, วนั้นติดแนบกันนะครับมันจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนแปลงยังานทิกมามันกระจายกระจายไปมีการพิกนาที่มัน ม, มาได้ความชัดเจนขั้นหลับทมเองมาดูที่น้องผือนะนั่ตนต่างนั่นแต่ก่อนก่อนนั่นก็ไม่ชัดแต่เรื่องสมาธินี้เป็นได้แน่แล้วเรื่องความเห็นก า, ชารชัดเจนจนถึงนิด ตรงจ right. ิตตรงใจวันแม่นะ like like oh, ้วคือมันเป็นอย่ที่น้องผือคืเห็นจริงๆเลยมันสรางสร้างไปหมดเกิดความสุขสันต์สงเวชายในใจนั่นหละขอโอ้กายมีเหมือนกันเมื่อไรไม่เห็นเพิ่งเห็นวันนี้เหรอเพิ่งเห็นวันนี้หนโอ้เห็นกายนายกายกายแล้วกายพั่วกายไปอที่แรกกายลกายสันดาจน่ก่อนนี่กระจายไปหมดทางไป พลายลงไปเปื่อเน่าไปเป็นเป็นหลักธรรมชาติของมันเองอืเวลามันเห็นชัดทัดแล้วจนกระทั่งมันลงไปหมดดินก็ลงไปดินมากกว่าซึ้บลงไนดินก็มีเป็นไอขึ้นอากาศก็มีในขนาดที่เจองาทีนี้เหมือนน้ามันซึบออกไปหมดแล้วซึมลงหมดแล้วมันก็เหลือแต่นังแตกระดูกมันก็กลายเป็นดินใี่เห็นชัดทัด ลงไฟกไปข้างนั้นจิกมันก็นลงอย่างเป็มที่ไม่ทราบว่าลงจะกกี่ชั่วโมงเออถอนขึ้นมาแล้วยังว่างยู่หมดเลยทั้งที่จิตถอนออกมาแล้วกขนมันว่างไปหมดเหมือนไม่มีต้นไม้ภูเขาแม้แต่กุฏิที่เรานั่งอยู่นั้นก็เหมือนไม่มีกุฏิเลยร่างกายก็เหมือนไม่มีถอนออมาแล้วมันเป็นเนี่ยอำนาจของความ พิจนรณาเห็นกายอย่างชัดเจนแล้วลงได้อย่างสนิทเป็นที่เต็มถัง ม, มันแม้จิบถอนขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างว่างอยู่ตลอดเลยหลายวันอำ น, นาจของจิตมันเลยไ ป, ไปกราบเทียนทำไมวาจาันท่านก็เจอเขาท่านกืเลยอธิบายเพิ่มเติมไปเลยนพราต้องอย่างนั้นนี่ผมเคยเป็นอยู่ที่ท่าใหญ่สวิตกาพยมยกมาเลยนะ เป็นเหมือนข้ามมหารเนี่ยนี่มีพว้าพูดแบบเดียวกันเท่านี้แหละสันว่าเลยทีเียท่านยกขึ้นผมเป็นมีที่ทํำศรีกาเป็นในขนาดนี้คือมันลากไปหมดเลยก็ออกมาลาบไปหมดแล้วยังว่างไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่จิตซึ่งเป็นของอาจารย์ล้วนๆทั้งหมดนี่อยู่สูงอยู่ต่ำไม่อะไไปสนใจกําหนดกฎเกณฑมันอาจารย์อยู่ไหนก็อยู่ที่ตรงนั้นกันแบบเดียวกัน คำถามผูกเราเล่าเป็นลำดับลำดับลำดับเราถวายท่านมีความเป็นหอามันเป็นหนเดียวนะเป็นแบบนั้นไหมไม่ใช่มันจะเป็นผลอดมานี่ท่าหลังเราก็พิจารณาใช้มันเป็นอย่างนั้นอีกมันไม่ยอมเป็นทั้งทั้งที่เห็นกายเหมือนกันเห็นกายแต่การที่เวลาพิจารณาแล้วมันมีรูปลักษณะต่างๆ้การเห็นผิดกันไปโดยตลอดเราถึงประกับเยียนท่านเราถวายท่านอีกท่บอก มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นหุนเดียวเท่านั้นแหละคำว่าผมก็เป็นหุนเดียวแต่นู้นไเป็นอีกเลยทีนี้มันจะเป็นลักษณะไหนก็มันเป็นไปตามลักษณะในหลักธรรมชาติธรรมาเองอย่าไปปรุงไปแต่งมันนั่นแหละเป็นความจริงเลื่นล้วนสอนย่างออกมาล้วก็เป็นที่แน่ใจล้วก็ไม่เคยเป็นอีกอย่างนั้นเห็นหุนเดียวแล้วเห็นตายเห็นตายอย่างแปลกประหลาดประพฤติการข่าวต่อมาก็มันก็ลงลงแต่มันมันไม่ได้ว่างทั้งหมดอย่างนั้นมันลงแต่พราจิต มันว่างโดยเฉพาะจิตไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมันมันมันว่างเฉพาะจิตแล้วอย่างไรแล้ว ม, มันว่างไปหมดจริงจมันโล่งหมดโลกธาตุเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยว่างเาลไปหมดมันก็เขากลักษณะที่นี่ตัว โ, รรวโาลากโรกงาลาังเบิดขสมเุนย์เมื่อข้าศุโมกขลาจักดาจักรโตเร็วกว่าโมกคลาเพลินเพจนาให้เห็นว่าโลกทั้งหลายเป็นของว่างเปล่ามันก็เลเข้าในลักษณะนันะนาา้น หนูเพื่อนเขามาอยู่นี่ตั้งนานนาทนาเปือนในเรื่องเล็กเลมันน่าจะได้เรื่องเดียวนะเราทํางานหน้าที่เดียวนี้เท่านั้นนาที่พิจารณาทนาถ้าสงบก็ฟาดมันเต็มที่จนขันมันก็สงบไถ้าจะถ้าทางปัญญาพิจารณาแยกแยกในท่านขันก็ทําหน้าที่อยู่ตรงนั้นให้มีความรู้อยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นจิ่งนั้นสิ่งนั้นเท่านั้นไม่ต้องประยุกตกับเรื่องอะไรเหมือนกับโลกไม่มี มีแต่สิ่งที่เราพิจารณาได้เท่านั้นนั่นจิดถึงเปนจริงมันต้องตัดตรงอย่างนั้นทําอะไรให้ตัดลงไปฝังไปจิตแมันเกิดความอ่อนแอก็ปลุกจิตสาวบาดปลอบปลอกไม่มีน้อยสันหลับผมห่ะปลุกน้ำมากอืมีแต่ปลุกจิตให้เกิดความกล้าหาญทานไทยมากกว่าคูเห็นเจ้าของเจนทานต่อรัวนี่โอ้โหมีอย่างมากไม่เลยห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะต่อต่อจนระลึกไม่ได้เพรางนงั้นนะ แต่เรื่องขู่นี่เอาเอาจังจริงแล้วที่มันเคยได้ผลด้วยการขู่กันหนี่ยู่ก็ปฏิบัติขู่คิดนี่มันก็ขู่กิเลสประเภทก็ในขณะเดียวกันก็คู่กิเลสถ้าว่าเราว่าขู่คิดนี่คือขู่กิเลสเวลาช่วงนั้นก็เวลาเอานักหนักสู้มันนักหนักเน่ากิเลสมันก็ะายไปกระลุ่นมันได้ผลเวลาไหนที่เราเอาเป็นที่เต็มฐานเอาคิดก็ฟาดกันเลยนั่นมันได้อย่างคุ้มค่านะ่า แล้วตัวอยา่างขึหนึ่งนั่งตลอดรุ่งอย่นี้ไม่มีคืนไหนที่ไม่ได้ของอัศจรรย์ขึ้นมาชมได้มชมของอัศจรรย์ได้ครองของอาศจรรย์คืนหลายๆครั้งแต่การพิจารณาเราจะหาเอาอบายอยากที่เราเคยพิจารณามาถ้านั้นมันเป็นสัญญาอาดีตเข้าหลักปัจจุบันหลักปฏิบัติไม่ได้ต้องเป็นสักอุบายของสถิปัญญาคิดขึ้นคิดค้นขึ้นในปัจจุบันเป็นขึ้นในปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันปัจจุบัน ถ้าสิ่งไหนมันตรงกับของเก่าก็ให้มันเป็นปัจจุบันของอั น, นั้นเกิดขึ้นมาเองแล้วไปเหมือนของเก่าก็าไมเป็นไรแต่เราเราจะต้องพิจนารณาอย่างนั้นเราจะต้องพิจนารณาอย่างนี้เอานั่นเข้ามาพากมาหมายไม่ได้เหมือนกับว่าคิดใหม่พูดงงานเราคิดใหม่ได้ใหม่ได้ปัจจุบันแก้กันทันฝัน่นเหนือจิตทหารต่อความตายเพราะนั่งตลอดลุ่งนี้เแหละ สู้เป็นอย่างเอาตายสู้คําว่าถอยไม่มีนอกจากตายหนึ่งสว่างเป็นวันใหม่มขึ้นมาเถอะนันเพราะมีเกณฑ์กันกำหนดกันอย่างนั้นตั้งทัศนจเรื่องถึงสว่างเป็นวันใหม่ถึงจะลุกหนึ่งสองตายต่อยหมดสุดพิสัยสามถ้าว่าสลบล้มลงไปเมื่อได้สติแล้วจะลุกขึ้นนั่งทันทีข้อแม่ไม่มีมีข้อแม่เฉพาะ ครูบาอาจารย์มีเหตุบุกเฉินเกิดขึ้นภายในวัดพระเนรองคใดก็ตามนับแต่ครบาอาจารย์ลงมานั้นยอมให้ออกจากที่ได้ทำลำเรื่องของตัวเองแล้วไม่มีข้อแม้ให้เลยถ้ามีความแม้มันจะมีทางออกเช่นเว้นแต่ปวดอุจจาปัสสาวะเนี่ยมันจะหาเวลามันทุกข์มากๆมันจะหาบาดปัดปวดปัดว่าวะหาบาดปวดอุจจ า, า, าระอยู่นั่นเนี่ยมันเลยไม่ได้เรื่องเอา้เอามันจะออกเวลานั้นก่อมทะลักออกเลย ตั้งแต่ขี้จะตักแม่ขี้แต่มือแม่ามาทําไมขี้ได้จนจะเป็นอเด็กเด็กทำไมโตขึ้นมาขนาดนี้แล้วล้างไม่ได้เหรอะขี้ตัวเองแล้วล้างตัวเองล้างไม่ได้เหรอทำไมไม่ได้ตักลงไปเลยเมื่อมันมีทางออกมีทางน้ําำตุกเข้าไปน้ําตุกเข้าไปมีดันเข้าไปมีมันก็ไปข้างหน้าเรืเ่อยๆมาจนเกาะแล้วสติปัญญาเมื่อขึ้นเลยทุกข์มากๆนี่เหมือนกับไฟที่ร่างกายทั้งทั้งร่างนี่เหมือนกับไฟเป็นไฟเป็นหมอดถึงสติปัญญา เมื่อเราอาจนกรอบมันจะอยู่เฉยๆได้เหรอเพราะจะออกมาก็ออกไม่ได้นี่ ส, สจาจความความสามนี่หมุนติ๋วเลย ส, สัจธรรมสามนี้เหนือชีวิต่เลยถา้าว่าเราจะทําลายความสามนี้ให้เราตายจะดีกว่าอย่าให้เหลือเป็นมนุษย์อยู่ในโลกหนักขัตนาเลยเป็นโมฆะทิสุขใช้ไม่ได้นั่นมันมีข้อบังคับหมุนติวต๋วเมื่อมันจนกรอบทุกขเวทนามันเกิดมาพร้นอะไรเป็นทุกข์นี่ที่ตัวทั้ัญเอน มันเป็นทุกข์ที่ตรงไหนมาทำมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทุกข์มากกว่าเพื่อนสาบจุดนั่นก็ไปแยกและดูทุกทุกนี้หรือเป็นนาหรือทุกทุกนี้หรือเป็นกายถ้าว่าทุกนี้เป็นกายเวลาทุกดับไปกายทำไมทาไมไม่ดับไปด้วยหรือว่าหนังนี่หรืเป็นทุกเนื้อหรือเป็นทุกเอ็นนึกกระดูกหรือเป็นทุกถ้าว่าสิ่งนี้เป็นทุกจริงเมื่อทุกดับไปทําไมสิ่งนี้ไม่ดับไปด้วยถ้ามันเป็นอันเดียวกันมันต้องดับไปด้วยกันหรือกิจนี่หรือเป็นทุกถ้าสิ่เป็นทุกสิ่งนี้อยนี่ดับไป จิตจริงยังเหลืออยู่ตั้งแต่ยังไม่นั่งภาวนานี่ทุกข์ก็ยังไม่เกิดจริงนี่ทำไมมันยังมีถ้าว่ามันเป็นเดียวกันน่ะมันแยกมันแยกหมุนติวต้วติ่วติ่วนั้นทุกข์มากเท่าไหร่ยิ่งจิตจริงขยับก็ขยับก็ทถอยไม่ได้นนเวลานั้นน่ะถ้าอยากให้ทุกข์หายเท่าไหร่าหานั่นแหละคือตัวสมุไทยเพิ่มทุกข์ขึ้นอีกมากเหมือนกับเท่าตัวหายไม่หายไม่ต้องว่ากันถ้าเห็นความจริงของทุกข์ขอให้ทราบความจริงนี้เพราะนั้นเป็นเป็นที่พอใจค้นึงเข้าไปค้นึเข้าไป เราทราบทัศน์ว่ากาหรืออาการต่างๆแต่ละแต่ละอาการมันจังมันจริงของมันแต่ละอย่างอย่างตามความทาบขมันมันไม่ได้ว่ามันเป็นทุกแม้แต่ทุกคเวทนาที่มันแสดงตัวอย่างเด่นทัดมันมันก็มีความหมายในตัวของมันเหมือนกับไฟเนี่ยผู้ไปสัมผัสต่างหากว่าร้อนนะส่วนเราไปสัมผัสไฟว่าร้อนตัวไฟเองก็ไม่ทราบความหมายตัวเองว่าร้อนรือหนาวหรือเย็นอะไรไม่มีมันไม่มีความหมายในไฟที่ไม่มีความหมายในตัวของมันเองมันเป็ทุกที่มัน เป็นอยู่ท่าในท่าในขันของเราก็เหมือนกันอย่างนั้นเมือ่อเข้าใจชัดเจนแล้วมันก็ถอนทุกข์ถอนออกปัจจุบัมนมาคิดเป็นทุกข์คิตก็มันเป็นทุกข์คิดก็รู้อย่างชัดๆนี่ทุกข์อันนี้ก็มากกว่าอยู่นั้นแย่แย่แย่ทางกายแยกเวทนาแยกจิตดูกายดูเวทน า, าดูจิตเทียบเคียงกันอันไหนมัน มันเหมือนกันอันไหนเป็นอันเดียวกันหรือว่าเป็นอันเดียวกันเียกอะเรียกไม่ไ้ต้องก็รู้เน้อชัดไม่ใช่อันเดียวกันกายก็สักจะว่ากายเวทนาสักจเวทนาเท่านั้นจิตก็คือจิตเท่านั้นต่างอันต่างจิตทีนี้เมื่อต่างอันต่างจินแล้วไม่กระทบกันถึงทุกจะไม่ดับลงไปก็ตายมันก็สักจะว่าทุกนั้นเปมนคำเริกพอที่จะมาทําลายจิตใจของเราให้บดไหลได้ทีนี้ก็เหมือนกัามีเกล็ดเนี้ย เพื่อเกาะนะครับมีกิจมีเกาะหุ่มแล้วทุกเวทนาจะเกิดมากน้อยมันก็ยิ้มได้อย่างสบายๆก็ เ, เป็นจริงเท่านั้นฝกักจะว่าเป็นเวทนาเท่านั้นมีประการหนึ่งประการที่สองนี่มันทุกเวทนาดับด้วยสําหรับเราปฏิบัติตนี้นอก้าทุกเวทนาดับแล้วร่างกายทุกส่วนเหมือนกับหายไปพร้อมเลยให้ไม่มีความรู้สึกในส่วนใจใจมีความรู้สึกเหมือนกับหายไปหมดทั้งกายหา ย, ยหมดทั้งเวทนา เหลือแต่ความรู้กึกอัศจรรย์ล้วนๆนๆีอันหนึ่งมันเป็นอยู่สองอย่างเราทีไปมาเมื่อมันได้อย่างถึงขนั้นแล้วทําไมมันจะไม่เกิดความเชื่อความสงสายทําไมจะไม่ดูดดื่นทําไมจะไม่อาถรรพ์จิตใจเพราะสิ่งที่ใหอาถารพเป็นสักขีปยานอยู่แล้วคือกิตดวงอัตจรรย์ที่ปรากฏน่ะอยู่เวลานั้นเมื่อได้แยกแยกเราหมดแล้วยังเหลือแต่จิตอุตเดินความอัศจรรย์ไม่เห็นนั่นแหละที่เมือเ่อได้ขึ้นเวที เราต่อสู้กันไปดูแล้วมันกพ็พอพัดพอเหย่อนกันไปในระยะต่อไปครับมีอุบาสิกาสติปัญญาวันหนึ่งขึ้นเง่หนึ่งวันหนึ่งขึ้นเง่หนึ่งขณะขึ้นหนึ่งขึ้นเง่หนึ่งอย่างเดียวกว่าสติปัญญาเจ้าของต้องคิดต้องค้นขึ้นมาเองสติปัญญาเกิดในจิตอันเดียวกันเป็นเรียวกว่ามอืมสังขารนั่นแหละลความคิดความคุ้ขึ้นมาแต่สั้งขารนี้เป็นสั้งฐานฝ่ายแก่สังขารอันหนึ่งเป็นสังขารสายผูกสายมัฝสายสัมพันธ์เดียดเรียกว่าสังขารที่เป็นตัวที่มีถ่าย หลังแยกม า, า, ม า, มากเป็นสังขารฝ่นยมาเป็นสติปัญญาแก้กันได้เหมือนได้คนหนึ่งแล้วเป็นจกติปัญญาแล้วคราวหลังไม่กลัวนะ เ, ออเป็นไหนเป็นกันไม่กลัวแต่ลง น, นัง่งปุ๊บแล้ววันนี้ต้องอย่างนั้นนั่งเลยต้องสว่างมีท่าเดียวเท่านั้นไม่เป็นอะไรเองเราได้พิจินาดูแนี้ยเรื่องทุกเวทนาเนี้ยได้เห็นชัดเจนแล้วว่าเป็นความจริงเรากลัวอะ แต่พิจ น, นาเรื่องขาดแขนว่ามันตายด้ยอะไรมันตายถ้าถีดินน้ำลมไฟเคยตายจากโรคไม้ก้อนสร้าง้างเรานี่ก็คือท่าถีดินน้ำลมไฟละต้องตาแล้วดินเป็นดินน้าเป็นน้ำลมลมไฟลมไฟใจก็ยิ่งรู้อยู่อย่างเด่นเด่นนี้แล้วมันจะตายไปเลยนะ่ะคาว่าตายมันโกหกกันนานมันรู้ชัดประการหนึ่งประการอีประการหนึ่งอ้าวทุกเวทนาถึงเวลาจะตายนั่นน่ะมันจะมีหนานแน่น ไปขนาดไหนก็คือทุกขเวทนาที่เราได้เห็นชัดๆเราได้วิจารณ์เรื่นี้และรู้จริงเห็นจริงกันอยู่ขนาดนี้เลยไม่มีเวทนาหน้าไหนไปหลอกเราเวลาตายฉะนั้นจึงหาความตัวเวทนาไม่ได้ถ้าทัดตามความมีจิงของเวทนาแล้วจะเป็นถึงขี่ตายก็าตายไปถึงไม่หลงหนัะแล้วก็เป็นจริงด้วยนะในขณะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเวลามันจะเอาสิงิงเอจาจังเช่นาวาระจะตายที่อยู่น้องผือที่ว่าตายถึงอยี่ภา ครั้งอาเทียมสองครั้งนั้นมันจะตายจริงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเพราะแม่ไมห็นมันเถอนนี่ไม่เห็นมันกลัวตายเลยอมันจะไปที่ไหนเหละเอาไปกระบายแน่สนุกพิจารณากระบายอยูแต่มันจะไปยจริงความรับผิดชอบในส่วนร่างกายมันลดมาตรงข้ามกันข้างล่างก็หดขึ้นมาอยู่กลางหัวใจนี่ข้า ง, างบนก็หด ล, ลงไปงข้างขวาหดเข้ามาพร้อมากันเลยจากนั้นแล้วก็ร่างกายก็หมดความหมาย คือร่างกายเป็นร่างกายเป็นเห ม, มือนท่อไม้ท่อนึงไปแล้วหูนี่เลยหนวกไม่ใช่หนวกไม่ใช่บอดไปแล้วเลยนั่นไปแล้วเป็น ท, ท่อไม้ท่อนตึงทุกเวทนาขาดับหมด <S <S นี่จริงเลยเชื่ออย่างแน่ใจว่าคนเราเวลาจะตายถ้ามีสติทราบเรื่องของตัวเองอยู่อย่างชัดเจนแล้วขนาดจะตายนั้นเวทนาต้องดับหมดนะอันนี้มันมันดับขณะที่เวทนาดับหมดท่านนั่งคุยทุกเวทนาอย่างสาหัส พอถึงขั้นจะไปจริงๆแล้วก็ความรับผิดชอบความรู้สึกนี่มันหดตัวเข้ามาวูบอย่างพร้อมกันหมดเลยเข้าไปอยู่ตรงกลางตรงกลานงานี่ก็สัตว์จวารุนะแต่ว่าเป็นจุดเป็นต่อมของปุโรหอยังงี้นี่ไม่มีผู้ดได้เจอสัตว์วารุนั้นแล้วทุกเวทนาดับอะไรดับร่างกายดับหมดจากความรู้สึกของกายเองและความรู้สึกของทางสัตว์ดับจุดต่อเป็นจุด ทุกเวทนาก็ดับพร้อมกันนะนั่นตอนนั่นตอนเก้าถึงเก้าพฤษมือยตกนี่จะไปนหรือไม่ไปอ้าวไปก็ไปกำเนิดจิตขยับเขา อ, อีกนีมันก็จะช่วยมันไปมันก็เลยเป็นพลังอานหนึ่งเรื่องมาพลังของจิตที่กําหนดก็ไปเนะม่เป็นพลังทําให้จิตมันสร้างเอาไปอีกหนะรับรู้ในสิ่งต่างๆส่วนต่างๆของร่างกายไปหรือว่าเลาอยู่ที่ไหนอย่งงนั้นไม่ลืมนะ คามรู้สึกของเจ้าของเป็นงนั้นจรงคิดอย่างนั้นด้วยเราจะไปไมันไปจริงหรือเปอ้าวไปไปก็ไปไม่รู้หรอกําหนดภาพเพื่อจะช่วยมันไปแล้วคือไปอย่างหายห่วงคุณเองแหละไม่ได้สงสัยอะไรเลยระยะนั้นเราก็ไม่ได้สงสัยอะไรแล้วยอนมาจมรษาหลงพ่อหลังจากพระแม่ครูอาจารย์ทำมณะภาพไปแล้วในเดน 3, ือนสามพเดือนแปดเราก็กลับมาทำจำพรษาจริงๆ ห, หายสงใจทุกสิ่ง ท, ทุกอย่างแล้วพูดตามความจริงย응 เวลานั้นมันจะมาประกาศความคิงที่เราเห็นมี่ที่การจะตายมัอนก็มีเห็นมันตัวอะไรมันตามมันรู้กันทุกระยะระยจะจนกระทั่งถึงมันหมดทุกเวทนาที่เป็นอย่างสาหัสขนาดถึงจะตานถึงขนาดถึงขั้นตายมันก็รู้ของมันอยู่ตลอดเวลามันไม่ฟังไม่เถอจนเวทนาทุกเวทนาในร่างกายนี่ที่เป็นสาหัส ด, ดับจออุ่หมดเพราะความรับผิดชอบของจิตหดตัวเข้ามารูบเดี๋ยวนั้นทุกเวทนาก็เป็นอำนาจดับไปพร้อมกัน กับความรับผิดชอบทางด้านหน้กนากายอาจจะไปเริ่ม เ, เหนื่อยเอาไปต่อไปมันเดีื่อยแต่ความรู้นั้นกำหนดตราบเขาติดความรู้นะั้นไม่ถึงนาทีนะมันสร้างอไปพอสร้างไปหูก็ได้ยนินตาข้าวฟางก็เหมันกคมองเห็นความรู้ติดส่วนร่างกายก็รู้ที่ทุกเวทนาเขเริ่มขึ้นก็สาหัเหมือนอย่างที่เคยเป็นสาหัสไม่ใช่สาหาัสาหาในส่วนร่างกายต่างๆไม่ได้สาหัในจิตนี่มันไม่ได้เข้าถึงจิต จิตจะปกติอีกย่างนั้นธรรมนาธรรมนาเพราะฉะนั้นเวลาออกมาจากประตูช่วงเปิดประตูช่วงออกมาท่าที่คอยอยู่ข้างนอกมองเห็นเราตกกระลึงอยู่สิก็บอกตาเนี่มันดําหมดลมมาาไไแล้วเหมือนคนตายเาะทำไมอาจารยเป็นยังไงเราก็ยิ้มนิดหนึ่งแล้วพูดผมเกือบตายในฐานมรดกพูดนี่รัพูดแล้วก็ยิ้มยิมเพราะเราไม่มีอะไรเสรียจะดีกันเห็นปกติจิตท่าเลยตื่นขึ้นอีกเห็นบ้าขึ้นอีกเออทำไมอาจารย์ทไมเป็นไง เรารู้ทันทีนี่พระเข้าใจเราเถินนี่นะนแะต่นั้นมาเราเลยไม่ใช่สีเดียนั่นอีกไม่พูดอะไรเลยมีแต่บอกใบ้บอกแล้วเอาเสื่อมาปูที่ตรงนี้ข้างน่องแล้วเอาหมอนมาปูมาที่นี่เราจะนอนที่นี่เราบอกใบ้พระเรารู้เรนะาไล่พระที่หมดเลยเรานอนคนเดียวนอนทนนอ น, ท, นทำให้รู้เรื่องของหมึกเพื่อน นี่เวลาเราตานี่เราเชื่อหมู่เพื่อนไหมหน้าจะเป็นอย่างนี้หนักมาเอาเลยนะมองเห็นเราก็ตอนตอนแรกรตกใจเราอาจจะจะตายนั่นก็เป็นประการประการที่สองที่เรายิ้มแล้วพูดออกไปแต่พูดมันเสียงมันมีแต่ปากมุนมิบมิบนะ ม, มันไม่มีเสียงนี่เหมือนกะลิงพูดทำพร้อมทั้งยิ้มออกมาตื่นกันตรงนั้นอีกที่งานวันงานยานไปนี่หนังขั้นที่สองนี่เราสะดุดทั น, นทีตรงนี่ข้าเข้าใจเวลเถดอะไรเงี้ย ขอเราเนี่ยเปิดเพะมันเผอไปไหนมีอยู่กับธรรมชาตินั้นแล้วโดยปกติของมันมันเผอไปไหนมันจะเผอไปไหนน่ะมันพูดอาถางกันอย่างนั้นเลพรมันเป็นธรรมชาติมันอยู่แล้วมันเผอไปไหนมันจะเผอไปไหนนี่วะนั่นเลยเราทาบนั้นเราควรหยุดเชื้อเปี่ยนวิธีใหม่พอพระเอาเสือเอาปูาแล้วไล่นี่หมดมให้มันยุ่งเลยพอเสร็จแล้วถึงมาถามคระ ถามประโยคแล้วเรื่องที่อวบอวัยวินั้นทากาคตอบทูน้องตกใจน้องท่งทานอาจารย์จะตายอมองดูหน้าตายอย่างนั้นแล้วเออาจที่สองล่ะว่ามันที่สองมีสองนัยนยะนัยนยะหนึ่งคนจะทานสั้งหอนทําให้ยิ้มหวังนั้นนัยยะที่สองเขา้าจท่านการเ ถ, ถื่อ <c oughs> นี่แหละผมต้องการตรงนี้ก็อบอกอืผมต้องการตรงนี้ผมแน่ใจตรงนี้เพราะกันครับผมเถืถ่อ เันการเป็นการตายผมผมจรงไม่อยากให้ใครใครมาเข้ามายุ่งกับผมเพราะผมาไม่รู้เรื่องกันนี่ความจริงของเราเราไม่มีอะไรเราตายเนี่ยเราตายสบายหมดเราพูดอย่างอาหารนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจรงไม่อยากจะยุ่งกับใครเวลาเราตายเราตา ย, เราตายอย่างส น, นุหนกคนเราคนเดียวให้เต็มเพลินทังเหล่าที่ได้ปฏิบัติมามากน้อยในวาระสุดทา้าเรื่องของขันทุกเวตนาจะมีอะไรมันก็กดแสดงทำเรื่องของมันเล็กเล็กเล็กเล็ ทั้งเดิมขมันหมือนเราจอไปเ้าไปไม้่ายแห้งเสียงแตกป่องปัองป่งปังป่องเป็นเหมือนมันมีวิญญาณใช่ไหมล่ะไม้ไผ่แบบนั้นเหมือนมีวิญญาณไฟก็เหมือนมีวิญญาณแสดงเปลวขึ้นบุกกระจบฟ้าหนึ่งเหมือนมีตนมีตัวเหมือนมีดวงวิญญาณอยู่ในนั้นไม้ก็มีเสียงแตกป่องป่งป่องป่งป่องแห่ความจริงไม้มันรู้ความหมายมันไหมมันแตกมันรู้ความหมายมันไหมไฟที่ลุกโคลงโคลงโนั้นมันมีความหมายมันไม้ มันไม่มีความหมายด้วยกันทั้งนั้นนี่เรื่องของขันเหมือนกันมันจะเป็นลักษณะไหนเพราะอํานาจแห่งทุกเวทนาที่เป็นเหมือนกับไฟไหม้ไม้ไผ่แห้งไม้ไผ่สดก็าตามอันนี้ทุกเวทนามันไหม้แล้วมันมันแสดงต่อกันมัดรัดจมันตามเรื่องของของขันมันแสดงในขนาดนั้นกามก็แสดงกรรมกรรเข้า ม, มา ทุเกิดธนาก็มัาทราบความายส่นแล้วมาทราบความายกากายก็มาทราบามมายของของกายเองแล้มาทราบามหมาเกินาแต่ไม่แสดงเหมือนกับไฟไม้แห้งนั่นแหละผู้ที่ทราบความหมายก็เคอติดก็รู้กันอยู่อย่างนั้นแล้วเถอะไปไหนจะไปหลงไปที่ไหนกันเมื่อสิ่งเหล่านี้มันหมดกําลังมันแล้วมันก็ยุติเหมือนกับไฟกับไม้ที่มันหมดกําลังเชื้อไฟก็หมดแล้วไฟก็ยุบลงยุบลงก็ดับนะ ก็เท่านั้นนี่เรเหมือนกันทุกเวทนามันก็ดับเมื่อมันหมดกําลังแล้วร่างกายก็วิตกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไหวไม่ตึงทุกเวทนาก็ดับความรักทราบนั้นออกแล้วนั่นจิตจิตมันตายความจริงก็คือธาตุสีน้ำลงไฟมันหมดกําลังที่จะเป็นเครื่องมือของจิตได้คนในงานถ้าไม่ได้เนี่ยจิตก็ถอยตัวหากว่าจิตยังมีกิเลสจะกลับจะไปเกาะกับมือเกิดใหม่อีก ตามภพชาติหรือตามภูมิของจิตถ้าจิตสิ้นแล้วจากจิตเลยก็หมดห่วงทาราเลยปันจัดท่านทามดห่วงกันเสียถึงความนั้นนักขีดานิทุนัพโภไม่ต้องมายุ่งกันอีกอย่าเหมือนดานที่เคยยุ่งมาแล้วนี้นี่ละการปฏิบัติเห็นประกาศถึงอย่างนี้จะว่าไงศาสนาใช้ตุ๊กตาเป็นเครื่องเล่นของเด็กหลอกวเอ้ยนี่ทำบุญทำทานแล้วจะได้ไปสวรรค์สิบพัน ในขนาดนี้ไฟจะไหม้ายอยู่เหมือนเหมือนตัวมันไฟกระตามแต่นู้นยังจะได้สวรรค์นี้นะเหมือนตุ๊กตาหลอกเลยพี่น า, ไานไปทํำลงไปพี่มันจะเห็นความสว่างมาจางแก่นนี้สุดใจใจเป็นภุรักษาทำระนาจใจพัฒนาเหมาะสมที่สุดกับธรรมใจทุกที่จะรู้เรื่องสุขเรื่องทุกเรื่องดีเรองชั่วเมื่อเป็นอย่านั้นทํามันจะไม่รู้คําบริสุทธิ์เหมื่อถึงขัน้นบริสุทธิ์แทอนบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะสิ่งที่มาเจอปืนนั้นออกหมดแล้วโดนสมมุติโดยประการทั้งปวง ขึ้นไปโดยสึ้นเฉลิมเมื่อเยเพราะข้อปฏิบัตินั่นที่นี่หมดเรื่องงานของพระเรานับตั้งแต่พิจารณาเจตสาวลมานาานตาโตเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายการเป็นมหาฤติมหาปัญญาอย่างเข้มข้นวาดฟันแผนแดดที่เด็ดทุกประเภทให้ขึ้นสูญไปจากใจแล้วนั่นแหละธนบุติตามทำธรรมใจอย่างหมดแล้วการงานในศาสนานี่ธมจันทร์ได้อยู่จบแล้วกัมหาจิการงานของเราที่ทํานั้นเสร็จสิ้นแล้ว ผลทั้ ง, งานคือความบริสุทธิ์ได้ปรากฏขึ้นแล้วอย่างชัดเจนตั้งแต่บัด น, นี้ต่อไปไม่จยุ่งกับอะไรเลยนะอย่างที่เดือดตัหาตัดสะพานกันเรื่องสมมุติทั้งปวงตัดสะพานกันกับจิต บ, บริสุทธิ์ตรงนี้เท่านั้นหนึ่งผลลการตัดเห็นประหาทุกอย่างนี้แล้วจะไปควยเอาที่ไหนทุกอยู่ที่ไหนสมุทัยอยู่ที่ไหนจริงที่ ป, ปกติกําลังจิตใจไม่เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนตามะภาพของจิตแท้นั้นอยู่ที่ไหนหนึ่ง แล้วมากคือความปฏิบัติมีสติปัญญากราควมเปลี่ยนต้นอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่กับเราเราไม่ผิดไม่พ้นขึ้นมาจะให้ใครพ้นให้เรามาฟ้นผิดพ้นหนึ่งสิ่งตรงนี้ขึ้นมาสึ่งนี้มีกําลังแล้วก็สามารถที่จะปราบสิ่งที่เป็นก้าวสิ่งนั้นได้สิ่งกระจายออกไปโดยลำดับจนกรทั่งถึงหมดไปโดยชิ่นเชิงเรียกว่านีโรอดนี่รอดทับทุกโดยทําอย่างสเนิทผู้ที่รู้ว่าทุกดับงสนิทคืออะไรที่นี่นั่นนั่นแหะคือผู้บริสุทธิ์ปริยาทั้งสี่ทุกสมุทัยร้อนมากนี่เป็น รู้อาการทั้งหลา่องนี้คือใครนั่นแหะคือผู้บริสุทธิ์เจนล้วนนั่นไม่ใช่สัจธรรมเอาละเอาแค่นี้ทำปัญญาที่บด้มาวยกัน